มีคนไว้วานให้ผมช่วยงานเขาตอนแรกๆผมก็ปฏิเสธไม่อยากทํานักเพราะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ขาดความถนัดแต่เขาก็ขยันขยอกระทั่งผมยอมช่วยจนได้และกลายเป็นว่าทำไปทำมายิ่งดีและประสบความสำเร็จระดับหนึ่งมีคนในวงการรู้จักและเขาก็แนะนำให้รู้จักกับใครต่อใครหลายคนถึงเวลานี้เขาพูดทานองว่าผมได้ดีเพราะเขา และจะขอให้ช่วยงานอื่นๆ อ, อีกเพราะผมบ่ายเบี่ยงเขาเพราะผมบ่ายเบี่ยงเขาก็พูดกระทบกระทบเรื่องความกตันยูรู้คุณผมรู้สึกงงและไม่รู้ว่าใครควรกรตันยูกับใครกันแน่ถ้าผมไม่ถือว่าติดบุญคุณเขาจะนับว่าเป็นพวกอักตันยูหรือเปล่าไม่เคยนึกเกลียดแต่ใจก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าคนคนเนี้ยทําอะไรให้ผม ในเมื่อทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเขาตั้งแต่แรกตอบความจริงเกี่ยวกับกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผูกอยู่กับมุมมองและเจตนาครับในกรณีนี้เบื้องต้นเขาขอความช่วยเหลือจากคุณกรรมของเขาจึงทำให้เขาเป็นผู้ขอส่วนคุณลงมือทำด้วยความคิดว่าให้การช่วยเหลือแก่เขา กรรมของคุณจึงทำให้คุณเป็นผู้ให้ต่อมาเขาแนะนำให้คุณรู้จักกับหลายหลายคนซึ่งก็คงเกี่ยวเนื่องกับงานที่คุณทาให้เขาคุณจึงเป็นที่รู้จักก็นับว่านั่นคือกรรมที่ทำให้เขาเป็นผู้ให้และคุณเป็นผู้รับแม้ไม่เชิงว่าตั้งใจเกื้อกูลคุณแต่ฝ่ายเดียวเขาเองก็พลอยรับผลประโยชน์ในทางอ้อมด้วยก็ตามแต่ขาดเขา คุณก็คงรู้จักใครต่อใครเองไม่ได้สรุปแล้วต่างฝ่ายต่างช่วยกันครับคุณก็ได้ดีส่วนเขาก็มีส่วนรับผลแห่งการได้ดีของคุณกรณีแบบนี้ถ้าเล่งกันในแง่บุญคุณจะไม่ชัดเจนเพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์แบบเดียวกับหุ้นส่วนไม่ใช่หยิบยื่นความช่วยเหลือทางเดียวที่ตั้งของการระลึกจึงไม่ใช่บุญคุณแต่เป็นการเกื้อกูลหมายความว่า ควรระลึกถึงการเกื้อกูลกันไม่ใช่ระลึกถึงบุญคุณของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้คุณตกลงใจช่วยเหลือเขาในงานอื่นอีกก็นับเป็นความเกรงใจเพื่อนร่วมงานเก่าไม่ใช่ทำไปเพราะความกตัญญูกะตะเวทีอยู่ดีพอมองด้วยมุมมองนี้ก็อาจสบายใจขึ้นถ้าจะปฏิเสธเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานของคุณต้องออกหน้าออกตาอาศัยความสามารถของตนเองเป็นหลัก เขาแค่ออกทุนหรือช่วยเรื่องอุปกรณ์ตามหน้าที่อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในระคุนก็ควรนั่งลงทำใจกลางๆช่างน้ำหนักดีๆว่าที่คุณประสบความสำเร็จนั้นเป็นเพราะตนเองใช้ความพยายามตามลำพังหรือเขามีส่วนหนุนหลังอยู่มากแม้เริ่มต้นเขาคิดใช้งานคุณแต่ถ้าภายหลัง เขามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้งานเกิดความสำเร็จอย่างนั้นคนคิดได้เต็มที่เลยว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนับแต่เริ่มชักชวนเข้าวงการเลยทีเดียวส่วนการตอบแทนจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรูปแบบของการตอบแทนที่แท้จริงไม่ใช่การขออะไรให้หมดแต่เป็นการมีน้าใจจริงๆ อยากทาประโยชน์บางอย่างให้สมน้ําสมเนื้อกับบุญคุณซึ่งตรงนี้ใจทุกคนเป็นเครื่องช่างที่ยุติธรรมได้ครับอย่ากแกล้งคิดเท่านั้นว่าซื้อโอเลี้ยงให้ถุงนึงน่าจะพอโอกาสมีอยู่หรือจะมาถึงเองในการอันสมควรตอบแทนท่าใดได้ก็เอาหมดหากเลือกตอบแทนผู้มีบุญคุณด้วยการมีน้ําใจกับเขาไปตลอดชีวิต คุณจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของความกระตันยูว่ามันไม่ใช่แค่จ้องจะตอบแทนให้เสมอภาคแต่มันคือการระลึกถึงหรือจําได้ไม่แกล้งลืมว่าที่ได้ดีหรือได้อะไรมาแต่ละอย่างนั้นใครมีส่วนช่วยแค่ไหนอย่างไรเมื่อระลึกได้ก็ย่อมไม่นิ่งนอนใจไม่ดูดายเมื่อเห็นเขาลำบากหรือเห็นเขาสบายอยู่แล้วแต่ยังขาดอะไร ก็จะได้ขวนขวายหาสิ่งนั้นไปให้พูด ก, กว้างๆไม่พูดเฉพาะกรณีคุณนะครับธรรมชาติกิเลสมักทำให้เราหลอกตัวเองคนอื่นช่วยก็แกล้งจำเป็นว่าไม่ได้ช่วยเขาตั้งใจดีก็คิดว่าเขาหวังประโยชน์หรือบางทีได้ดีแล้วไม่เห็นหัวคนเคยช่วยไปรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยกว่าตนเอง หรือไม่มีหน้ามีตาไม่มีเครดิตสมควรพอจะได้ชื่อว่าช่วยเหลือผลักดันเรามาอันนี้ก็สำรวจดีๆแล้วกันไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่จะทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณใครทำกับคุณอย่างไรและแค่ไหนการหมั่นทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาขณะใจกำลังสงบสงบนั่นแหละภูมิคุ้มกันโรคในระคุณชั้นดี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 i o a